บทที่4หัวใจสําคัญของพุทธจริยศาสตร์หัวใจสําคัญของพุทธจริยศาสตร์เล่งไปที่พระพุทธพจน์อันเป็นหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาคือ 1. การไม่ทําความชั่วทั้งปวงสัรพปาปัสาอากาศนัง 2. การทํากุศลคือความดีให้พร่งพร้อม กุศลสูปสัมปดา 3. การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วสะจิตตะปริโยดะปนังความชั่วคืออะไรความดีคืออะไรได้กล่าวมาบ้างแล้วในบทต้นๆปัญหาจึงอยู่ที่ว่าเราจะละความชั่วได้อย่างไรทำความดีได้อย่างไรทำจิตให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร อะไรเป็นมูลรากหรือรากเง้าของความชั่วความดีเหล่านั้นความชั่วมีหลายอย่างแต่ที่เป็นมูลรากที่เรียกว่าอาคุศลุลโมลพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้สามอย่างคือโรกโกรธหลงเมื่อสามอย่างนี้แม้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดมีขึ้นแล้วย่อมทำให้ความชั่วอื่นๆที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น ที่เกิดมีอยู่แล้วจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้ละเสียส่วนความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั้นเป็นกุศลละโมลคือรากเง้าของกุศลเมื่อเกิดมีขึ้นแล้วย่อมทําให้ความดีอื่นๆที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงทรงสอนให้บําเพ็ญอยู่เนืองนิด มีผู้ถามอยู่เสมอว่าวิธีละอกุศลเจริญกุศลนั้นทาอย่างไรต่อไปนี้คือคำตอบหนึ่งการไม่ทำความชั่วทั้งปวงวิธีละความชั่วหรืออกุศลซึ่งมีมมลจากสามอย่างคือความโลภความโกรธความหลงวิธีละความโลภ ความโลภมีสามขั้นคือหนึ่งความโลภอย่างหยาบเช่นโลภอยากได้ของผู้อื่นโดยไม่ชอบทำต้องโกงหรือแย่งชิงเขาเป็นต้นพวกเด็กเล็กๆ เ, เป็นกันมากยกตัวอย่างเด็กที่เห็นของเล่นของเพื่อนที่ตัวเล็กกว่าแล้วแย่งของเขามาเป็นของตนในผู้ใหญ่ก็มีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยทำซึ่งหน้ามักทำอย่างลับๆ ทั้งนี้เพราะความละอายบ้างเพราะเกรงกลัวโทษทางกฎหมายบ้างวิธีสอนให้เด็กละความโลภแบบนี้ก็คือลองถามแกดูว่าถ้าเป็นของของแกมีใครมาแย่งจริงไปแกพอใจไหมแกโกรธไหมถ้าเด็กบอกว่าไม่พอใจและโกรธก็บอกว่าเมื่อเราไปแย่งของเขาเขาก็ไม่พอใจและโกรธเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจงเว้นการแย่งชิงของของผู้อื่นในผู้ใหญ่ก็พูดได้ทำนองนี้แต่เน้นเรื่องเกียิให้มากเพราะผู้ใหญ่นิยมสงวนท่าทีและรักเกียิโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มจะเป็นผู้ใหญ่มักมีความรู้สึกในเรื่องเกียิสูง 2. ความโลภอย่างกลางคือความไม่รู้จักพอ ควาไม่รู้จักประมาณในการสแสวงหาในการได้การสแสวงหาและอยากได้เกินจำเป็นท่านมหาตามาคารทีกล่าวว่าตามมติของท่านการสะสมทรัพย์ไว้เกินจำเป็นเป็นการขโมยข้อนี้เราอธิบายได้ว่าทรัพย์สมบัติในโลกเป็นของกลางเป็นของโลกมีไว้เพื่อคนในโลกใครที่สะสม ถือกรรมสิทธิ์ไว้เป็นส่วนตัวมากเกินไปย่อมทำให้ผู้อื่นขาดแคลนยากในการสแสวงหาและบริโภคใช้สอยผู้มีปัญญามองเห็นความจริงว่าการสะสมทรัพย์มีคุณค่าน้อยกว่าการสะสมปัญญาและคุณธรรมไม่ต้องแย่งกับใครมีให้อย่างเหลือเฟือเป็นคุณค่าภายในเป็นคุณค่าแท้ บางคนสะสมที่ดินสะสมไว้ทาไมมากมายควรคิดถึงคนอื่นที่เขาไม่มีที่ดินบ้างด้วยเหตุนี้จึงควรสะสมทรัพย์ภายนอกแต่พออาศัยกินอาศัยใช้แล้วใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสะสมปัญญาและคุณงามความดีเพราะปัญญาและคุณความดีติดตัวเราไปได้ทุกผลทุกแห่งทั้งชาตินี้และชาติหน้า ส่วนทรัพย์สินนั้นติดตามไปในปรโลกไม่ได้ยังจะนำอันตรายมาให้ในชาตินี้อีกด้วยการคิดได้อย่างนี้เป็นอันละความโลภขั้นนี้ไปในตัว 3. ความโลภอย่างละเอียดหมายถึงความติดใจหมกมุ่นพัวพันในทรัพย์สินของตนหวงแหนเฝ้าพิทักษรักษา เอาใจจดใจจ่อจนไม่เป็นอันหลับอันนอนหรือไปไหนไม่ได้มีความตรหนีเหนียวแน่นอย่างยิ่งความโลภอย่างละเอียดนี้แก้ได้ด้วยการพิจารณาเนืองๆถึงโทษของความหวงแหนติดพันว่าเป็นสนิมของใจทำตนให้ตกเป็นทาสของสิ่งที่มีก็จะลดความโลภชนิดนี้ลงได้บ้าง มีตัวอย่างสองสาเรื่องที่พอจะนามาสาธกแสดงถึงปฏิปทาของท่านผู้ไม่ยอมตกเป็นทาสของสิ่งที่มีตัวอย่างที่หนึ่งเป็นเรื่องของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระคังโคสิตารามท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงในสมัยรัชกาลที่สี่คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีเล่าไว้ในหนังสือประวัติของสมเด็จพระพุท ธ, ธาจาย์โตพรหมรังสีว่าครั้งหนึ่งสมเด็จนอนอยู่มีโจรขึ้นกุติโจรล้วงหยิบตะเกียงลานไม่ถึงท่านช่วยเอาเท้าเขีย่ยส่งให้โจรท่านว่ามันอยากได้อีกคราวหนึ่งท่านไปเทศต่างจังหวัดโดยทางเรือได้เครื่องกันเทศหลายอย่างมีเสือหมอนเป็นต้น หากลับมาพักแรมคืนกลางทางตกกลางดึกมีโจรภายเรือมาเทียบเรือของท่านพอโจนล้วงหยิบเสือได้แล้วเผ อ, อิญท่านตื่นท่านร้องบอกว่าเอาหมอนไปด้วยสิจะ้ะโจนได้ยินตกใจกลัวรีพายเรือหนีท่านจึงเอาหมอนโยนไปทางโจนนั้นโจนเห็นท่านยินดีให้จึงพายเรือกลับมาเก็บเอาหมอนนั้นไป ตัวยอย่างที่สองเป็นเรื่องของอาจารย์เซนคือพุทธศาสนานิกายเซนซึ่งแพร่หลายอยู่ในญี่ปุ่นเซนเป็นภาษาญี่ปุ่นหมายถึงฌานในภาษาบาลีและทยานในภาษาสันสกฤตซึ่งหมายถึงเพ่งหรือความสงบอาจารย์เซนท่านหนึ่งชื่อริโยกันดำเนินชีวิตแบบนักพรตอยู่ที่กระท่อมเชิงเขา ผู้ร้ายคิดว่าท่านริโยกานมีทรัพย์สินจึงแอบเข้าไปในกระท่อมขณะที่ท่านไม่อยู่ขโมยค้นไม่พบสิ่งใดกำลังจะกลับออกมาท่านริโยการก็กลับถึงกระท่อมพอดีท่านริโยกานพูดกับขโมยว่าเดินทางมาตั้งไกลอย่าได้เสียเที่ยวกลับไปมือเปล่าเลยเอาเสื้อตัวนี้ไปด้วยเถิด ว่าแล้วท่านริโยกันก็ถอดเสื้อที่ท่านกำลังสวมอยู่ให้ขโมยครั้งแรกรเผชิญหน้ากับเจ้าทรัพย์ผู้ร้ายตกใจพอเจ้าทรัพย์ส่งเสื้อให้แม้อยังรู้สึกงงงงอยู่ขโมยก็คว้าหมับแล้วเพ่นไปเลยท่านริโยกันเหลือตัวเปล่านั่งแงนดูดวงจันทร์วิธีละความโกรธ ความโกรธคืออะไรเรามีวิธีละความโกรธอย่างไรความโกรธคืออะไรเห็นจะไม่ต้องให้คำจำกัดความเพราะทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วบางคนอาจคุ้นเคยกับความโกรธมากเป็นพิเศษโกรธทุกวันวันละหลายๆครั้งวิธีละความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วนั้นตำราทั้งหลายทั้งทางจิตวิทยาและทางาศาสนา ได้พูดถึงไว้มากพอสรุปได้ดังนี้หนึ่งให้พิจารณาถึงโทษของความโกรธเช่นความโกรธทำให้ร่างกายผิดปกติการไหลเวียนของโลหิตไม่สม่ำเสมอทำให้หัวใจเต้นแรงไม่หิวอาหารและทำให้อาหารไม่ย่อยเป็นเหตุให้ท้องขึ้นท้องเฟ้อเป็นต้นนอกจากนี้ ความโกรธยังทำให้แสดงอาการหยาบคายกระด้างไม่สุภาพอย่างที่ไม่เคยเป็นในเวลาปกติทำให้เสียบุคลิกลดสเสน่ห์ในตัวลงเพราะความโกรธอาจทาให้ฆ่าคนได้อันเป็นโทษทั้งในปัจจุบันและอนาคต 2. เห็นอกเห็นใจและให้อภัยพิจารณาเนืองๆว่าคนเราเกิดมาไม่เหมือนกัน มีวาสนาบารมีมาต่างกันสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันการศึกษาอบรมก็ต่างกันเมื่อเป็นดังนี้ย่อมเป็นการยากที่จะเป็นไปอย่างใจเราบางทีเราอยากมากเกินไปหรือเปล่าคืออยากให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการจะให้เป็นแต่เขาเป็นไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่เราแม้ตัวเราเองก็ยังไม่สามารถทําอะไรได้ อย่างที่ต้องการทุกครั้งไปอันหนึ่งความแตกต่างระหว่างวัยที่มีอยู่ทั่วไปเด็กไม่ค่อยเข้าใจผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเด็กแต่ต้องการให้เด็กเข้าใจตนอย่างนี้มีอยู่บ่อยๆบางคนมีการศึกษาน้อยการอบรมก็ได้รับมาไม่ดีทั้งๆ ท, ที่แกอยากจะทำดี แต่ก็ทำให้ดีอย่างที่คนเขามีการศึกษาอบรมดีได้โดยยากเด็กลูกจ้างหรือเด็กรับใช้ตามบ้านต่างๆมักมีปัญหามากเพราะระดับการศึกษาการฝึกฝนอบรมและความเคยชินแตกต่างจากในจ้างมากในจ้างก็จะเกณฑ์ให้แกนึกคิดอย่างตนรู้ความประสงค์ของตนไปทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อไม่ได้อย่างใจก็โกรธแค้นบ่นอยู่เรื่อยว่าทำไมไม่คิดอย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นคล้ายๆกับว่าจะให้แกดีเท่าตนลองนึกดูเถิดว่าถ้าแกดีเท่าเราแกะจะยอมมาเป็นเด็กรับใช้หรือลูกจ้างของเราทำไมหรือถ้าแกดีเหนือเราแกก็ต้องเป็นนายเราถ้าคิดได้อย่างนี้อาจจะพลาวความเกลียวกราดลงได้บ้าง เด็กๆก็เหมือนกันแกยังเป็นเด็กแกย่อมคิดอย่างผู้ใหญ่ไม่ได้แกจะคิดจะพูดจะทำก็เป็นไปอย่างเด็กๆขอให้พยายามเข้าใจแกบ้างเด็กก็พยายามเข้าใจผู้ใหญ่คือคิดเห็นใจและให้อภัยว่าท่านเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบมากท่านย่อมคิดอย่างผู้ใหญ่และคิดรอบคอบหลายด้านดังนี้เป็นต้น 3. แผ่เมตตาข้อนี้หมายความว่าหัดแผ่เมตตาบ่อยๆการแผ่เมตตาคือการสำรวมใจให้สงบแล้วบริกรรมคือนึกในใจว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายบุคคลทั้งหลายจงมีความสุขราศจากทุกเถิดอย่าได้เบียดเบียนกันขอให้มีความโปรงใจอย่าได้คับแค้นใจอย่า ว, ว่าแต่เพียงปาก ขอให้จิตใจของเราอ่อนโยนปราถนาสุขแก่เขาจริงๆเรื่องนี้เราอธิบายด้วยเหตุผลได้และนำมาสอนใจของเราได้คือขอให้เรานึกบ่อยๆว่าสัตว์ทั้งหลายบุคคลทั้งหลายที่ดิ้นรนขวนขวายอยู่ก็ด้วยปราถนาสุขและต้องการหลีกให้พ้นจากทุกข์การกระทำของเขาคำพูดของเขาที่ทำไปเพื่อสุขนั้น อาจมาขัดหูขัดตาเราหรือกระทบกระเทือนความสุขของเราบ้างถ้าไม่เหลือเกินจริงๆเราลองหัดอดทนดูบ้างเป็นการลงสนามทดลองขันติและเมตตาของเราว่ามีอยู่มากน้อยเท่าใดในจ้างบางคนลูกจ้างทำอะไรอะไรไม่ถูกใจหลายอย่างแต่ก็มีส่วนดีอยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่ถูกใจไปทั้งหมด นายจ้างจะไล่ลูกจ้างออกเมื่อไหร่ก็ย่อมทำได้แต่เห็นว่ามีประโยชน์ในทางฝึกฝนตนเองในทางขันติและเมตตารวมทั้งการให้อภัยด้วยจึงคงจ้างไว้ต่อไปคนเรานั้นถ้ามีคนเอาใจมากๆเข้าอาจจะมีนิสัยเอาแต่ใจตัวไปก็ได้มีคนขัดใจเสียบ้างก็ดีเหมือนกันอันหนึ่ง ถ้าเราโกรธบ่อยๆก็ขอให้นึกสงสารตัวเองบ้างที่ยอมตนให้ตกเป็นทาสของความโกรธอย่างถอนตัวไม่ขึ้นดีหรือที่ตกเป็นทาสของสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระพุทธองค์ตรัสว่าความโกรธก่อความพินาศความโกรธทำให้จิตเร่าร้อนเมื่อใดบุคคลถูกความโกรธครอบงำํำเมื่อนั้นเขามีแต่ความมืด 4. ลองนึกถึงจริยาของพระพุทธเจ้าทั้งในชาติอดีตและชาติสุดท้ายของพระองค์ท่านว่าท่านถูกเบียดเบียนใส่ร้ายป้ายสีอยู่มิใช่น้อยแต่พระองค์ท่านก็มีพระทัยสงบไม่โกรธไม่เกลียดผู้เบียดเบียนมีแต่หวังประโยชน์สุขแก่เขาเราจึงเคารพนับถือท่านเหลือเกิน บางคนอาจนึกแย้งว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราไม่ได้เป็นจะทําอย่างท่านได้อย่างไรขอถามว่าเราเป็นสาวกของพระองค์ท่านมิใช่หรือนับถือท่านเป็นผู้นาทางมิใช่หรือเมื่อเป็นดังนี้ทำไมจึงไม่ดำเนินตามทางที่ท่านสอนและดำเนินมาแล้วเล่าการยกย่องนับถือที่แท้จริง ย่อมหมายถึงการถ่ายแบบหรือดำเนินตามแบบคือถ่ายเอาคุณสมบัติของท่านเข้าสู่ตนมิใช่นับถืออยู่แต่ปากแต่ไม่ทําสิ่งใดอันเป็นการแสดงว่ายกย่องนับถือจริงๆแล้วจะได้ผลอะไรเล่าการเคารพนับถือพระรัตนตรัยที่จะให้ได้ผลจริงย่อมหมายถึงการถ่ายแบบ หรือถ่ายเอาคุณสมบัติของท่านเข้าสู่ตน 5. ลองนึกถึงความสัมพันธ์อันยาวนานข้อนี้หมายความว่าในสังสารวัตอันยาวนานที่เราเวียนเกิดเวียนตายอยู่นี้คนเราเคยเป็นอะไรอะไรกันม า, มากอาจเคยมีความสัมพันธ์เป็นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยากันมาในอดีตชาติใดชาติหนึ่ง คนที่เรากำลังโกรธอยู่เดี๋ยวนี้อาจเคยเป็นมารดาหรือบิดาของเราเคยลำบากยากเข็ญเป็นนักหนาเพื่อถนอมชีวิตเราหรืออาจเคยสละชีวิตเพื่อเรามีเรื่องหนึ่งเล่าไว้ในอัถคถาธรรมบทว่าภิกษุรูปหนึ่งได้รับอุปการะเรื่องปัจจัยสี่จากอุบาสิ ก, กาคนหนึ่งทำความเพียรจนได้บรรลุอรหัตผล เธอมีความสุขอยู่ในมรรคผลนั้นพลางรำพึงว่าน่าขอบใจจริงหนาอุบาสิ ก, กามีอุปการะมากต่อเราเราได้อาศัยอุบาสิ ก, กานี้แล้วแล่นออกจากภพได้คือพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมาหาอุบาสิ ก, กาเป็นที่พึ่งของเราเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นหรือหรือว่าในอดีตเธอเคยเป็นที่พึ่งของเราแล้วเหมือนกัน เมื่อรำพึงดังนี้แล้วภิกษุนั้นระลึกชาติถอยหลังไป99ชาติได้เห็นว่าอุบาสิ ก, กานั้นได้เคยเป็นพันรยาของท่านมา99ชาติและมีจิตปฏิพัตในชายอื่นข่าท่านมาตั้ง99ชาติแล้วท่านจึงโปรงธรรมสังเวทแบบพระอระหันต์ว่าหน้าสังเวทจริงหนอ อุบาสิกาทำกรรมหนักมาแล้วเหลือหลายฝ่ายอุบาสิกาซึ่งได้บรรลุอนาคามิผลก่อนภิกษุและได้ปฏิสัมพิทาสี่และอภิญญาห้าแล้วนั่งไคร่ครวนอยู่ในเรือนของตนว่าภิกษุกำลังคิดอะไรอยู่จึงพิจารณาขึ้นไปถึงชาติที่หนึ่งร้อยเห็นว่าในชาตินั้นตนได้สละชีวิต คือตายแทนภิกษุนั้นจึงได้ส่งกระแสจิตไปเตือนว่าขอให้ท่านโปรดระลึกต่อไปถึงชาติที่หนึ่งอเถิดภิกษุได้สะดับเสียงของอุบาสิกาด้วยหูทิพจึงระลึกถึงชาติที่100ได้เห็นอุปการะของอุบาสิกาแล้วมีจิตเบิกบานกล่าวสนทนาธรรมในมรรคี่ผลสีกันทางโทระจิต และปรินิพานหน้าที่นั้นเองเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าคนที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนั้นเมื่อมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆก็ย่อมจะประพฤติผิดพลาดต่อกันบ้างเกื่อหนุนกันบ้างเรียกว่าทำดีต่อกันบ้างทำร้ายต่อกันบ้างตามกระแสกิเลสที่เกิดขึ้นในวาระนั้นๆจึงควรสังเวชสลดจิต ให้อภัยไม่อยากก่อกรรมทำเข็นอะไรกันอีกต่อไปหกสงเคราะห์อเอื้อเฟื้อการสงเคราะห์อเอื้อเฟื้อกันเล็กๆน้อยๆจะช่วยให้มีสัมพันธ์ธรรมตรีต่อกันดีขึ้นการให้เป็นเครื่องสมานมหมตรีและเป็นเครื่องผูกมิตรทาให้จิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งอ่อนโยนและจิตใจของเราก็อ่อนโยนลงด้วยเจ็ด ลองนึกแยกธาตุพิจารณาดูให้ดีจะเห็นว่ามนุษย์เราประกอบด้วยธาตุสี่หรือธาตุหกล่าวคือดินน้ำไฟลมอากาศและวิญญาณเราโกรธอะไรโกรธธาตุสี่โกรธทำไมโกรธไปก็แค่นั้นไม่มีอะไรดีขึ้นอีกไม่นานทั้งเขาและเราก็จะตายจากกันไปทำใจให้สบายดีกว่า เมื่อคิดได้ดังนี้เข้าใจว่าความโกรธคงระงับลงมันพิจารณาเนืองๆก็ย่อมจะลดความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วได้อันที่จริงบางทีที่เราโกรธก็เพราะถือนั่นถือนี่ถือตัวถือตนว่าเราเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้คิดแล้วก็เจ็บใจที่เจ็บใจก็เพราะนำมาคิดถ้าไม่คิดเสียก็ไม่เจ็บใจและหมดเรื่อง วิธีละความโกรธอาจจะมีวิธีอื่นอีกบ้างท่านที่เคยโกรธและเคยชนะความโกรธมาด้วยวิธีใดลองเขียนเล่าสู่กันฟังบ้างก็จะเป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปและเป็นกุศลมิใช่น้อยวิธีละความหลงความหลงคือความไม่รู้ตามเป็นจริงความเขาวความมืดของดวงจิต พี่ว่าไม่รู้ตามเป็นจริงนั้นคือรู้ไปเสี้ยอีกอย่างหนึ่งจากความเป็นจริงเมื่อเป็นดังนี้จึงทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นคือทําให้เห็นผิดเข้าใจผิดสําคัญมั่นหมายผิดเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระส่วนสิ่งที่ไม่เป็นสาระกลับเห็นว่าเป็นสาระดังนี้เป็นต้นเรียกว่าความหลง ที่หลงเพราะขาดปัญญาขาดโยนิโสมนสิการ์คือความรอบรู้และความรอบคอบเมื่อศาสตร์แสงสว่างคือปัญญาเข้าไปความมืดก็หายไปความหลงผิดก็ย่อมหายไปด้วยเหมือนอย่างว่าคนยืนอยู่ในที่มืดมองอะไรอะไรเห็นไม่ถนัดจึงทําให้เข้าใจผิดเห็นผิดไปจากความเป็นจริงเช่น อาจเห็นกิ่งไม้เป็นแขนของผีเห็นต่อไม้เป็นหัวผีเป็นต้นแต่พอศาดแสงสว่างเข้าไปก็ได้เห็นตามเป็นจริงข้อนี้ฉันใดในชีวิตคนก็เหมือนกันเพราะใจมืดด้วยกิเลสต่างๆจึงทําให้เห็นผิดเข้าใจผิดไปพอแสงสว่างคือปัญญาเกิดขึ้นทําลายโมหะได้ก็ย่อมเห็นตามเป็นจริง พระพุทธเจ้าทรงแสดงตัวอย่างไว้ในเรื่องความวิปลาสคลาดเคลื่อนเช่น 1. สิ่งไม่เที่ยงเห็นว่าเที่ยง 2. ส, สิ่งเป็นทุกข์เห็นว่าสุข 3. ส, สิ่งไม่งามเห็นว่างาม 4. ส, สิ่งไม่มีตัวตนเห็นว่ามีตัวตนยกตัวอย่างขันห้าคือรูปสสารต่างๆ เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดปรุงแต่งวิญญาณจิตหรือวิญญาณธรรมชาติรู้หรือธาตุรู้ทั้งห้านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนโดยสภาพของมันใครไปเห็นว่าเที่ยงสุขมีตัวตนแล้วเข้าไปยึดถือไว้ ก็ย่อมจะได้รับทุกโทมนัดมากขึ้นเพราะไปฝืนความเป็นจริงของมันนอกจากนี้คนที่เห็นบุญเป็นบาปเห็นบาปเป็นบุญตรงกันข้ามกับความเห็นของบัณฑิตรหรือนักปราชญ์ก็เพราะโมหะเหมือนกันเมื่อใดเขาอบรมจิตพัฒนาปัญญาให้เจริญขึ้นเขาย่อมเห็นเช่นเดียวกับที่นักปราชญ์เห็น รู้อย่างที่นักปราชรุรูเข้าใจอย่างที่นักปราชญ์เข้าใจเหมือนคนตาดีเหมือนกันย่อมเห็นสีอย่างเดียวกันถ้าเขายังตาบอดอยู่จะให้เขาเห็นสีได้อย่างไรการพัฒนาจิตและปัญญาให้เจริญจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการทําลายโมหะพระพุทธองค์ตรัสว่าความหลงก่อให้เกิดโทษนานาประการ โมหะทำให้จิตฟุ้งซ่านเร่าร้อนเมื่อใดความหลงครอบงามบุคคลเมื่อนั้นเขามีแต่ความมืดเด็กๆมีโมหะมากยังไม่ได้อบรมจิตและปัญญาจึงขาดเหตุผลคิดเอาแต่อารมณ์ตัวผู้ใหญ่ที่อบรมจิตและปัญญาแล้วโมหะย่อมน้อยลงดำเนินชีวิตตามเหตุผลมากขึ้น ส่วนผู้ใหญ่ที่ไม่ได้อบรมจิตและปัญญาก็คงเหมือนเด็กที่อายุมากขึ้นเท่านั้นเองและดูน่ารำคาญกว่าเด็กจริงๆเสียอีกโลภโกรธหลงทั้งสามประการนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในฐานะที่เป็นอากุศลลมูลคือรากเง้าของอากุศลต้นเขาของความชั่ว เมื่อโลภโกรธหรือหลงเกิดขึ้นอกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็เจริญมากขึ้นขอให้ลองพิจารณาดูเถิดไม่ว่าความชั่วใดๆที่เกิดแก่ตัวเราหรือแก่สังคมย่อมต้องมีกิเลสสามอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นมูลอยู่ทั้งนั้นถ้าโลภโกรธหลงเบาบางลง เรื่องยุ่งยากต่างๆก็จะเบาบางลงด้วยความทุกข์ก็ลดน้อยลงด้วยเหมือนกัน 2>, 2. การทำกุศลหรือความดีให้เกิดขึ้นเมื่อละชั่วได้แล้วถ้ายังไม่ทำความดีชีวิตก็ยังคล่องอยู่ยังไม่ได้ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นซึ่งเขาเหล่านั้นได้ทำประโยชน์ให้แก่เราโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้าง คนเราทุกคนเกิดมาพร้อมด้วยหนี้บุญคุณของผู้อื่นมีมารดาบิดาเป็นต้นจึงต้องทำความดีเพื่อใช้หนี้สังคมจริงอยู่การละความชั่วได้นั้นเป็นความดีอย่างหนึ่งแต่ชีวิตจะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่ทำความดีด้วยดังกล่าวแล้ววิธีสร้างความดี การทำความดีนั้นต้องมีวิธีทำหรือวิธีสร้างต่อไปนี้เป็นวิธีการบางอย่างในการทำความดีเรามีวิธีอย่างน้อยสองวิธีคือ 1. พยายามให้กุศลจิตเกิดขึ้นบ่อยๆด้วยมณสิกาถึงคุณความดีหรือพิจารณาถึงคุณค่าของความดี 2. เมื่อกุศลจิต คือความคิดที่จะทำความดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นแล้วให้รีบทาทันทีเพราะถ้ายัางลังเลรีรออยู่จิตใจจะน้อมไปในบาปหรือในความชั่วกล่าวคืออาจกลับใจไม่ทําเสียข้อความทั้งสองดังกล่าวมาสมกับพระพุทธภาษิต ท, ที่ว่าอภิษฐรเถรกะรยานีปาปาจิตตังนิวารเย ดันทางหิกรโตปุ ญ, ญังปาปัสมิงรมติมโนแปลว่าควรรีบทำความดีควรห้ามจิตเสียจากบาปเมื่อทำความดีช้าหรือมัวลังเลรีรออยู่ใจย่อมยินดีในความชั่วจิตใจของคนเรากลับกรอกแปรปรวนเร็วเดี๋ยวจะเอาอย่างนั้นเดี๋ยวจะเอาอย่างนี้ตามไม่ค่อยทัน เพราะความนึกคิดของคนนั้นไม่เที่ยงมีเหตุปัจจัยปรุงเมื่อเหตุปัจจัยปรุงให้ดีก็ดีไปชั่วคราวพ่อเปลี่ยนเหตุปัใจจัยใหม่คือได้เหตุปัจจัยชั่วก็กลับเป็นชั่วเสอีกน่าเบื่อนหนายพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงฝึกจิตทําใจของท่านให้มั่นคงแจ่มใสจนเหตุปัจจัยอะไรๆมาทําให้แปรปรวนไม่ได้ เป็นอากตังอสังขตังคือเหตุปัจจัยทำอะไรอะไรไม่ได้ปรุงไม่ได้คงที่สงบอยู่อย่างนั้นไม่ต้องขึ้นขึ้นลงลงเหมือนเด็กๆที่ประเดี๋ยวก็หัวเราะประเดียวก็ร้องไห้พระพุทธภาษิตข้างต้นนี้พระพุทธเจ้าตรัสเพราะปรารบเรื่องพราหมณ์คนหนึ่งเรียกว่าจูเลกะสาดกผู้มีผ้าน้อยผืนเดียว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 พรามผู้เป็นสามีไปฟังธรรมตอนกลางคืนฟังไปฟังไปเกิดซาบซึ้งในรถพระธรรมเลื่อมใสแรงกล้ามีปีติปรากฏมากต้องการบูชาพระศาสดาด้วยผ้าห่มของตนแต่นึกเป็นห่วงไปถึงพรามมณีว่าถ้าถวายพระพุทธเจ้าเสียนางจากไม่มีผ้าหม่มเมื่อจำเป็นต้องออกไปภายนอกศรัทธาจิต คือความคิดในการถวายผ้าแก่พระพุทธเจ้าและมัตเฉระจิตคือความคิดหน่วงเหนียวไว้ให้ไม่ถวายของเขาพลัดกันแพ้พลัดกันชนะอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาปฐมพยายามและมัชชิมพยามพอถึงปัจฉิมมยามคือประมาณตีสองล่วงแล้วเขาคิดว่าถ้าปล่อยให้มัตเฉระจิตครอบงามอยู่อย่างนี้ คงไม่พ้นจากอบายสี่เป็นแน่แท้จึงพยายามข่มความตรนีแล้วนำผ้าห่มเข้าไปวางไว้แทะพระยุ ค, คลบาทแห่งพระศาสดาพร้อมกับเปลงเสียงสามครั้งว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วเราชนะแล้วพระราชาประเสนาธิโกสลประทับทรงธรรมอยู่ที่นั่นด้วยทรงสดับเสียงนั้นให้ราชบุรุษไปถามว่า พราหมน์นั้นชนะอะไรเมื่อส่งทราบเรื่องละเอียดแล้วพระองค์ทรงเห็นว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ทำได้ยากจึงพระราชทานผ้าสาดกให้คู่หนึ่งพราหมณ์ได้ถวายผ้าสาดกคู่นั้นแด่พระศาสดาอีกพระราชาจึงพระราชทานให้สองคู่สี่คู่8ดคู่และ16คู่โดยลำดับ พรามได้ถวายผ้าทั้งหมดแต่พระศาสดาพระราชาพระราชทานให้อีก32สองคู่คราวนี้พรามได้เก็บไว้สองคู่เพื่อตนคู่หนึ่งเพื่อภรรยาอีกคู่หนึ่งนอกนั้นได้ถวายพระศาสดาที่รับไว้สองคู่ก็เพื่อป้องกันคําติเตียนจากผู้อื่นว่าญิงจองหองพระราชามีพระมหากรุณา พระราชทานผ้าเป็นอันมากมีได้รับไว้ใช้สอยเลยแม้แต่ผืนเดียวพรามคิดว่าผ้านั้นดีเกินไปไม่เหมาะสมกับตนจึงนำไปทำฝ้าเพดานไว้ในพระคันธกุฎีของพระศา ส, สดาผืนหนึ่งอีกผืนหนึ่งทำเพดานไว้ที่บ้านของตนในห้องที่นิ ม, มนต์พระสงฆ์มาฉันเป็นประจำ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 ทราบเรื่องนี้แล้วสนทนากันในธรรมสภาว่าพรามเอกะสาดกถวายทานในเนื้อนาอันดีให้ผลมากในวันนี้ทีเดียวน่าอัศจรรย์แท้พระศาสดาสเสด็จมายังธรรมสภาส่งทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนาแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ถ้าพรามณ์ถวายผ้าสารดกตั้งแต่ปฐมยามเขาจะได้ของอย่างละสิบหถ้าถวายในมัชชิมยามจะได้ของอย่างละแปดแต่นี่เขาถวายตอนใกล้รุ่งจึงได้ของอย่างละสี่ภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะทํากรรมดีก็ควรรีบทําไม่ควรให้กุศลลจิตเสื่อมไปเสียเมื่อบุคคลทํากุศลช้า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 ที่เรียกกันทั่วไปว่าความชั่วทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างมันไปแปดเปื้อนส่วนใดย่อมทําส่วนนั้นให้เศร้าหมองบาปจึงเป็นของโสโครกที่ไม่มีตัวตนแต่ก็รู้ได้ว่าโดยส่วนผลเป็นชื่อของความทุกข์กล่าวให้เข้าใจง่ายก็คือมีผลเป็นทุกข์เป็นความร้อนใจพระบรมศาสดาจึงตรัสว่า สเจพายะาดุขัตสเจโวดุขมัรมปียังมากัตถาปาปกังกัมมังอาวิวายะดิวารโหถ้าเธอทั้งหลายกลัวความทุกข์ถ้าความทุกข์ไม่เป็นที่รักของเธอทั้งหลายไซขอเธอทั้งหลายอย่าได้ทำบาปทั้งในที่แจ้งและในที่ลับในที่บางแห่งตรัสว่าที่ลับสำหรับผู้ทำบาปไม่มี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 ท่านเรียกว่าคนมีโอตั ป, ปะฮิริและโอตั ป, ปะทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมช่วยคุ้งครองโลกช่วยทำให้โลกสะอาดคนไม่มีฮิริโอตั ป, ปะย่อมหาโอกาสทำบาปได้เสมอคนกล้าที่แท้จริงต้องเป็นคนกล้าสละบาปคนเราเกิดมามีอวัยวะทุกส่วนทั้งภายในและภายนอกเหมือนกัน ทำไมบางคนจึงปรากฏแก่ผู้อื่นเสมือนมีกลิ่นเหม็นบางคนปรากฏแก่ผู้อื่นเสมือนมีกลิ่นหอมอยู่ในตนคำตอบก็คือเพราะพวกแรกแปดเปื้อนไปด้วยบาปพวกหลังเอิบออาบอยู่ด้วยบุญหรือความดีพวกแรกถูกมองด้วยสายตาที่รังเกียจขยะแขยงพวกหลังถูกมองด้วยสายตาที่นิยมชมชอบ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 ใหญ่เล่าจะไม่ได้รับการรังเกยียจและดูหมิ่นจากผู้อือ่นบาปจึงเป็นสิ่งควรกลัวและควรหลีกเลี่ยงตรงกันข้ามกับบาปคือบุญหรือความดีบุญโดยส่วนเหตุหมายถึงความผ่องแพ้วความบริสุทธิ์ความดีงามธรรมชาติเครื่องชำระล้างกายวาจาใจให้ปราศจากมนทิน เหมือนน้ำที่ใสสะอาดเป็นน้ำแท้ๆไม่เจือปนด้วยฝุ่นหรือโคลนตมย่อมมีอนุภาพในการล้างสิ่งที่แปดเปื้อนด้วยสิ่งโสโครกนอกจากนี้น้ำที่สะอาดยังมีคุณประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมายสุดจะพันน า, นาให้หมดสิ้นได้ว่าโดยส่วนผลหมายถึงความสุขสมพระพุทธภาษิต ท, ที่ว่า ภิกษุทั้งหลายเธออย่ากลัวบุญเลยคําว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขบุคคลเมื่อทําบาปย่อมทําด้วยกายวาจาใจฉันใดเมื่อทําบุญก็ย่อมทําด้วยกายวาจาใจฉันนั้นกายที่ประกอบด้วยบุญเป็นกายดีวาจาที่ประกอบด้วยบุญเป็นวาจาดีใจที่ประกอบด้วยบุญเป็นใจดี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 วิธีรักษาคุณความดีการรักษาคุณความดีเป็นภาระอันยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของมนุษย์และตามความรู้สึกของข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นภาระอันมีเกียรติยิ่งการกระทำสิ่งใดก็ตามถ้าเป็นการกระทำเพื่อรักษาความดีก็รู้สึกว่าเป็นการกระทำที่มีเกียรติแม้จะทุกข์ยากลำบากและขมขื่นบ้าง ก็มีความชื่นใจแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ด้วยตัวอย่างเช่นความทุกข์ยากลาบากของพ่อแม่ที่ต้องถนอมเลี้ยงลูกเพื่อทำหน้าที่ของพ่อแม่ให้ดีที่สุดเพื่อรักษาคุณความดีของตนในฐานะที่เป็นพ่อแม่ความทุกข์ยากลาบากของนักพรตเช่นพระสงฆ์ผู้ซึ่งเคารพในธรรมวินยัยต้องการประพฤติธรรมวินยัย รักษาไว้ให้สมบูรณ์ต้องต่อสู้กับความปรารถนาฝ่ายตามนานาประการก็เพื่อรักษาความดีของตนไว้ไม่ให้เสื่อมพ่อแม่เป็นผู้นำพาระอันมีเกียรติยิ่งจึงได้รับเกียรติจากลูกที่ดีสมณะหรือนักพรตก็เช่นกันจึงได้รับเกียรติจากาศาสนิกชนครูอาจารย์ได้รับการเชื่อชูเกียรติจากสิทธ ก็เพราะเหตุเดียวกันคือเพราะท่านรักษาคุณความดีไว้ตามฐานะของท่านและพยายามทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกการทําความดียังง่ายกว่าการรักษาคุณความดีเปรียบเหมือนการมีลูกง่ายกว่าการเลี้ยงดูบํารุงรักษาลูกบางคนทําความดีมาเกือบตลอดชีวิต พอรักษาคุณความดีไว้ไม่ได้สักครั้งสองครั้งก็กลายเป็นคนเสียและคนก็มักพูดถึงกันตรงที่เสียนั้นแกงอย่างดีทั้งหม้อใหญ่พอมแมลงวันลงไปนอนตายอยู่สักตัวผู้ที่จะมาซื้อกินก็รังเกียจมีแต่เจ้าของแกงเท่านั้นที่จะหาทางแก้ไขเช่นตักมแมลงวันทิ้งแล้วต้มให้เดือดใหม่ ชีวิตของคนก็เหมือนกันมีดีมากมีชั่วเพียงเล็กน้อยคนทั้งหลายก็เพ่งมองและพากัน ร, รังเกียจตรงชั่วเล็กน้อยนั่นแหละผ้าขาวทั้งผืนมีจุดดาอยู่นิดเดียวก็มองเห็นเป็นตำหนิและเห็นเด่นชัดมากชีวิตคนก็เหมือนกันยิ่งบริสุทธิ์ผุดผ่องมากเท่าใดข้อบกพร่องเล็กน้อยคนก็ยิ่งมองเห็นได้ง่าย เพราะฉะนั้นการรักษาคุณความดีจึงเป็นของยากอย่างยิ่งพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงพยายามทำความดีชนิดที่ไม่ต้องเป็นภาระกังวลกับการรักษาอีกต่อไปสิ่งที่จะมาทำลายความดีก็คือความชั่วสิ่งที่จะให้ทำความชั่วก็คือกิเลสการทำลายกิเลสจึงเท่ากับทาลายบ่อเกิดของความชั่ว เมื่อกิเลสสิ้นแล้วบ่อกเกิดของความชั่วก็ไม่มีสิ่งที่จะมาทําลายความดีก็สิ้นสุดจึงไม่ต้องกังวลกับเรื่องการรักษาความดีอีกต่อไปเป็นการปลดเปลื้องภาระอันยิ่งใหญ่เป็นความสงบสุขอันยิ่งใหญ่คราวนี้ปัญหาว่าอะไรคือเครื่องมือในการรักษาคุณความดีคําตอบก็คือความไม่ประมาท กล่าวคือการมีสติระวังอยู่เสมอไม่นิ่งนอนใจไม่วางใจอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่ อ, อยังไม่ถึงความสิ้นกิเลสก็อย่านอนใจพิกขุวิสาสมาปาริอัปปัตโตอาสวัคยังพระพุทธพจน์จากธรรมทวัคธรรมบท ความชั่วที่จะมาทําลายความดีนั้นมักเกิดจากความนอนใจหรือความประมาทว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรรูรั่วน้อยๆของเรืออาจทําให้เรือจมได้ไฟน้อยๆอาจเผาเมืองได้เพราะฉะนั้นผู้รักษาเรือรักษาเมืองจึงไม่ควรประมาทควรรีบอุดรูรั่วและดับไฟด้วนน้อยที่จะเป็นอันตรายนั้นเสีย เรื่องเล็ก ๆ, น, ๆน้อยๆอาจลุกลามใหญ่โตเป็นสงครามกลางเมืองได้แบบน้ำพึ่งหยดเดียวผู้ต้องการรักษาความสามัคคีจึงต้องระวังเรื่องเล็ก ๆ, น, ๆ, ๆน้อยๆโดยไม่ประมาทเพราะความประมาทเป็นมนตินของผู้รักษาประมาณโดรคาโตมลังพระพุทธภาษิตมองในทางตรงข้ามว่า ความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมของผู้รักษารวมความว่าเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนเราที่จะต้องรักษาคุณความดีที่ได้ทำไว้แล้วและควรจะต้องถือเป็นหน้าที่อันมีเกียรติใครเขาจะมาทำอะไรให้อย่างไรซึ่งบางทีอาจทำให้เราเสียได้เหมือนกันแต่ถ้าเราถือว่าเป็นหน้าที่ของเรา ที่จะต้องรักษาคุณความดีเราก็จะรักษาคุณความดีไว้ได้อย่างเรื่องพระมหากัดสปะสาวกผู้ใหญ่องค์หนึ่งของพระพุทธเจ้าเทพธิดาแปลงเป็นมนุษย์ลงมาปฏิบัติท่านเช่นกวาดบริเวณกุฏิตั้งน้ำฉันน้ำใช้ให้พอท่านรู้ท่านก็ไม่ยอมให้ทำ เขาจะอ้อนวอลสักเท่าไรว่าเพื่อเป็นบุญของเขาท่านก็ไม่ยอมท่านพูดว่าเป็นหน้าที่ของท่านเหมือนกันที่จะต้องสำรวมระวังไม่ให้มีเรื่องด่างพร้อยให้พระรุ่นหลังนำไปกล่าวอ้างได้ว่าแม้พระมหากรส ป, ปะยังมีเทพธิดาลงมาปฏิบัติทำไมเล่าพวกเขาจะมีสตรีมาเฝ้าปฏิบัติบารุงเช่นนั้นบ้างไม่ได้ วิธีสร้างความดีเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ในชีวิตมนุษย์ผู้ที่รู้จักความดีและความชั่วแล้วแต่ถ้าไม่รู้จักสร้างความดีหลีกหนีความชั่วก็จะสร้างความดีไม่สำเร็จเหมือนคนที่รู้ว่าตึกนั้นคืออะไรประกอบด้วยอะไรบ้างแต่ถ้าไม่รู้จักวิธีสร้างก็ไม่อาจสร้างตึกให้สำเร็จได้สร้างแล้วพังสร้างแล้วพัง ในที่สุดก็อ่อนใจเลิกสร้างไปเองคนที่คิดจะสร้างความดีก็เช่นเดียวกันถ้าไม่รู้จักวิธีสร้างสร้างแล้วล้มสร้างแล้วล้มในที่สุดก็เลิกประกอบคุณงามความดีเห็นว่าไม่ได้ผลอะไรเมื่อเลิกสร้างคุณความดีเสียแล้วก็จะหันมาสร้างความชั่วแทนนำชีวิตไปสู่ความตกต่ำร่มจมในที่สุด วิธีสร้างความดีนั้นมีหลักที่สำคัญอยู่ประการหนึ่งคือศึกษาให้รู้แจ้งว่าความดีที่แท้จริงนั้นคืออะไรคนส่วนมากรู้จักความดีปลอมมากกว่าความดีแท้ลักษณะความดีที่แท้นั้นมีหลายอย่างเช่น 1. ทําความดีเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นคือเพื่อประโยชน์ของคนที่เราทําดีด้วยจริงๆ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเราถ้าเราจะได้ประโยชน์บ้างก็เป็นเพียงผลพลอยได้หรือเป็นประโยชน์รองถ้ามีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของตนแม้ผู้อื่นจะพลอยได้รับด้วยก็ยังไม่เป็นความดีแท้ 2. ทํทำด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือไม่บริสุทธิ์ใจถ้าบริสุทธิ์ก็เป็นความดีแท้ ถ้ามีเจตนาอันไม่บริสุทธิ์แฝงเร้นอยู่ด้วยก็เป็นความดีเทียม 3. ความดีมีผู้รู้เห็นมากหรือมีผู้รู้เห็นน้อยคนส่วนมากชอบทำความดีให้มีผู้รู้ผู้เห็นยิ่งรู้เห็นมากประกาศโฆษณามากยิ่งรู้สึกว่าดีแต่นักปราชญ์ที่แท้จริงกลับมองเห็นว่า การทำความดีแบบปิดทองหลังพระเป็นความดีที่แท้จริงโบราณท่านว่าความดีที่มนุษย์ไม่เห็นนั้นเทวดาท่านเห็นและฟ้าดินก็ประทานผลดีให้ที่สำคัญก็คือตนของตนนั่นแหละรู้เห็นยิ่งกว่าผู้ใดความเศร้าหมองและความผ่องแพ้วแห่งจิตอันเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์และสุขนั้น ใครเล่าจะมองเห็นได้ดียิ่งกว่าตัวเราเอง 4. ความดีนั้นทำถูกหรือทำผิดคนตั้งใจจะทำความดีแต่ทำผิดก็มีถ้าทำความดีผิดผิดก็ไม่เป็นผลดีทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นตัวอย่างเช่นถ้าเศรษฐีคนหนึ่งมีเงินเป็นกระสอบเช้าขึ้นก็ตั้งโต๊ะหน้าบ้าน บริจาคเงินแก่ผู้ต้องการเพราะเห็นว่าการบริจาคเงินเป็นเรื่องดีคนทั้งหลายในเมืองนั้นก็พากันเกียจคร้านไม่ทำงานและใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่ายสั ม, มะเลเทเมาเมื่อหมดเงินแล้วก็มาขอใหม่การทำอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับการทำความดีอย่างนี้เป็นการทำผิดอีกตัวอย่างหนึ่ง สมมติว่าผู้คุมนักโทษเกิดเมตตาการุณาในพวกนักโทษขึ้นมาเห็นว่าการติดคุกของพวกเขาลำบากนักจึงปล่อยนักโทษออกจากคุกทั้งหมดเห็นเป็นการให้อภัยเป็นคุณธรรมอันนี้ก็เป็นการทำความดีที่ผิดเป็นต้นการทำความดีที่ผิดนั้นไม่เป็นความดีแท้แต่เป็นความดีปลอมหรือเทียม ส่วนการทำความดีที่ถูกนั้นจะต้องเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ตนผู้อื่นสังคมเอาเป็นเยี่ยงอย่างได้ถ้าผู้อื่นทำอย่างนั้นบ้างก็เป็นประโยชน์แก่ผู้ทำตาม 5. าทำความดีอย่างยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมบางคนตั้งหน้าแต่จะทำความดีเช่นการให้อภัยเมตตากรุณา โดยไม่ได้นึกถึงความยุติธรรมหรือผลเสียอันจะเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงภายหลังแก่ผู้ที่ได้รับอภัยและเมตตากรุณานั้นตัวอย่างเช่นข้าราชการฝ่ายปกครองไม่ลงโทษคนผิดหรือครูไม่ลงโทษนักเรียนที่ทำผิดพ่อแม่ทำตนเป็นคนใจดีไม่หาวิธีลงโทษลูกเกเรเกียดคร้านเสียแต่ต้ น, ตน ปล่อยไว้จนผู้ทาผิดนั้นเคยชินกับความผิดพลาดบกพร่องและทำมากขึ้นจนประสบความเสียหายใหญ่หลวงในบ้านปลายอย่างนี้เรียกว่าทำดีโดยไม่คำนึงถึงความยุติธรรมลงท้ายก็เป็นโทษแก่คนที่เราทำดีด้วยนั่นเองไม่เป็นความดีแท้ถือเป็นความบกพร่องเสียด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้น การทำความดีจะต้องยุติธรรมด้วยต้องลงโทษคนที่ควรได้รับโทษให้รางวัลคนที่ควรให้รางวัล 6. ความดีที่ทํานั้นทําอย่างครึ่งครึ่งกลางกลางหรือทําอย่างสมบูรณ์ข้อนี้หมายความว่าการทําความดีที่จะให้ได้ผลดีจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเป็นความดีที่แท้จริงนั้น จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอไม่ทำทำหยุดหยุดหรือทำครึ่งคร่งกลางๆ ก, การสังสมความดีนั้นเหมือนหยาดน้ำหยดลงในภาชนะถ้าสังสมทุกวันก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความดีถ้าทำทำหยุดหยุดบุญหรือความดีนั้นก็จะพร่องอยู่เสมอไม่เต็มบริบูรณ์ 7. ความดีนั้นใหญ่หรือเล็ก ข้อนี้ถือเอากุศ ล, ลเจตนาและประโยชน์ที่ผู้อื่นจะได้รับเป็นเกณฑ์ถ้าจิตประกอบด้วยกุศลเจตนามากถือว่าเป็นความดีอันแท้จริงยิ่งใหญ่หรือหากว่าสิ่งที่ทานั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยในความรู้สึกของผู้ทาแต่เป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากก็ถือว่าเป็นความดีอันแท้จริงยิ่งใหญ่เช่นกันตัวอย่าง การช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกยากให้มีที่ทำกินหรือการลดภาษีอากรแก่ผู้มีไรายได้น้อยการสั่งให้เอาใจใส่ทุกสุขของผู้เจ็บป่วยไม่ให้ทอดทิ้งพวกเขาการสั่งสอนให้คนรู้จักความดีความชั่วให้กลับตัวจากทางชั่วมาดำเนินอยู่ในทางดีมีศีลธรรมมีความเข้าใจในชีวิตอย่างถูกต้อง เหล่านี้ล้วนเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่ทั้งสิ้น 8. ความดีนั้นทำยากหรือทำง่ายความดีที่ทำยากเป็นความดีที่แท้จริงท่านเหลียวฝานเป็นชาวจีนเมื่อสมัยห้ารอปีเศษมาแล้วเกิดราวพศ2 0 9 2เขียนหนังสือเรื่องโอวาดสี่ของท่านเหลียวฝานไว้เมื่ออายุ69ปี รงกับพศ2161ในหนังสือโอวาสีของท่านเหลียวฝานได้กล่าวอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างเกี่ยวกับความดีที่ทำยากนี้ไว้ว่าสมัยก่อนท่านผู้คงแก่เรียนมักจะพูดว่าถ้าจะเอาชนะใจตนเองให้ได้ต้องเริ่มจากจุดที่ข่มใจได้ยากที่สุดก่อนถ้าสามารถเอาชนะได้ จุดอื่นๆก็ไม่สําคัญเสแล้วย่อมจากเอาชนะได้โดยง่ายลูกศิษย์ของท่านขงจื้อชื่อฝานฉือได้ถามท่านอาจารย์ว่าเมตตาธรรมนั้นเป็นอย่างไรท่านขงจื้อตอบว่าการทําสิ่งที่ยากที่สุดให้ได้เสียก่อนจึงจะชนะใจตนเองได้เมื่อเอาชนะใจตนเองได้แล้วความเห็นแก่ตัวก็หมดไปจึงบังเกิดเมตตาธรรม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 ท่านผู้เฒ่าสู่เกิดความสงสารสามีภรรยาคู่นี้ยิ่งนักจึงยอมเสียสละเงินที่ออมไว้จากการสอนหนังสือเป็นเวลาสองปีนํามาใช้หนี้แทนฉายผู้นั้นทําให้สามีภรรยาคู่นี้ไม่ต้องแยกจากกันอีกตัวอย่างหนึ่งมีชายคนหนึ่งยากจนยิ่งนักจึงนําบุตรชายและภรรยาไปจํานําไว้ได้เงินมาพอประทังชีวิต เมื่อถึงกำหนดไม่มีเงินจะไปไถ่คืนพันรยาเดือดร้อนคิดจะฆ่าตัวตายบังเอิญท่านผู้เท่าจางรู้เรื่องเข้ามีความสงสารยิ่งนักจึงนำเงินที่เก็บสะสมมาแล้วถึงสิบปีมาใช้หนี้แทนให้พ่อแม่ลูกจึงมีโอกาสกลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้เท่าสู่และท่านผู้เท่าจาง ล้วนแต่ได้ทําสิ่งที่ทําได้ยากยิ่งเงินที่ท่านสะสมไว้คนละสองปีและสิบปีนั้นท่านก็หวังว่าเมื่อทํามาหากินไม่ได้แล้วก็จะได้พึ่งเงินจนํานวนนี้ประทังชีวิตต่อไปเป็นเงินที่ต้องใช้เวลาอันยาวนานสะสมไว้วันละเล็กละน้อยแต่ท่านทั้งสอง ก็สามารถตัดใจช่วยเหลือคนที่ไม่รู้จักกันเลยแม้แต่นิดได้ในพริบตาเดียวนี่คือการทำความดีที่ยากยิ่งจริงๆหัวข้อสำหรับพิจารณาความดีที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรรวม8ดข้อตั้งแต่หนึ่งถึงนี้ได้นำเฉพาะหัวข้อจากหนังสือโอวาทสของท่านเหลียวฝานในโอวาทข้อที่สา ส่วนคำอธิบายประกอบหัวข้อนั้นเป็นของผู้เขียนเองความจริงท่านเหลียวฝานได้อธิบายประกอบไว้ดีมากขอให้ท่านผู้อ่านลองหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านดูจะได้ประโยชน์มิใช่น้อยทีเดียวการทำความดีต่อผู้อื่นนั้นก็จะต้องแล้วแต่โอกาสจังหวะเวลาก็มีความสำคัญเช่นกัน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 ทั้งสิบหัวข้อนี้ท่านอธิบายขยายความไว้อย่างน่าสนใจมากในโอวาสสี่ของท่าน 3. การทำจิตให้ผ่องแผ้วกิเลสเป็นสิ่งเศร้าหมองของจิตจิตผ่องใสยอยู่ตามธรรมชาติดังพระพุทธพจน์ว่าปพัสรามิดังพิกเวจิตตังอาคันตุกเกหิ อุปกิเลเสหิอุปกิริตถังแปลว่าภิกษุทั้งหลายจิตนี้ผ่องใสแต่เศร้าหมองไปเพราะกิเลสที่จอนมาเปรียบเหมือนน้ำสะอาดแต่เศร้าหมองเพราะสิ่งปนเปื้อนเมื่อนําสิ่งปนเปื้อนออกแล้วน้ำก็กลับใสสะอาดดังเดิมการทำจิตให้บริสุทธิ์แท้จริงจึงต้องมุ่งไปที่การกาจัดกิเลส ความโลภความโกรธและความหลงเป็นกิเลสสาคัญที่เป็นอกุสลโมลคือรากงเงาของอกุศลเพราะเมื่อสามอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมีแล้วก็จะทำให้อกุศลอื่นๆที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็เจริญมากขึ้นใครมีอุดมคติอย่างไรก็ตามเถิดแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืม คืออุดมคติในการกำจัดและทำลายกิเลสมนสิการทำในใจอยู่เสมอว่าเราเกิดมาเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิน้นหรือพัฒนาตนไปสู่ความดีจนถึงที่สุดคือไม่มีความชั่วหลงเหลืออยู่เลยคนไทยโบราณเข้าใจเรื่องนี้ดีเราจะเห็นคำอธิษฐานอันเป็นอุดมคติของท่านปรากฏอยู่ทั่วไป ในที่สาธารณะสถานโบราณวัตถุที่สร้างหรือเมื่อท่านรักษาศีลให้ทานก็จะมีคำอธิษฐานอันเป็นอุดมคติว่าขอบุญนี้หรือทานนี้จงเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะคือกิเลสจงเป็นปัใจจัยให้ได้นิพพานคือการดับกิเลสอิดังมีดานังอาสวะขยาวหังโหตุ นิบบานปัจโจยโหตุดังนี้นอกจากนี้ยังมีใจเผื่อแผ่ถึงสรรพระษททั่วหน้าด้วยการอุทิศส่วนกุศลที่ตนทำแล้วให้แก่สัตว์ทั้งหลายทุกหมู่เหล่าฝึกอัทยาสายให้เป็นผู้ไม่เห็นแก่ความสุขของตนเพียงผู้เดียวการสละกิเลสเป็นภารกิจอันสำคัญของมนุษย์ทุกคนเพราะการเกิดมาแต่ละชาต ก็เพื่อพัฒนาตนให้ถึงขั้นสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ในที่สุดแห่งการพัฒนาก็คือมีความดีล้นล้วนไม่มีความชั่วหลงเหลืออยู่เลยไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแม้เมล็ดพืชที่พัฒนาดีที่สุดแล้วก็มีแต่เนื้อล้นล้วนไม่มีเมล็ดเช่นมะละกอมะม่วงหรือทุเรียนที่พัฒนาถึงที่สุดแล้ว เนื้อมากและดีมะเมล็ดรีบเพราะไม่ขึ้นอีกเป็นการพ้นจากเวียนว่ายตายเกิดเช่นเดียวกันเพื่อชำระจิตให้บริสุทธินี้ควรทำจิตให้สงบก่อนอันท่านเรียกในภาษาธรรมะว่าอุปสัสสะความสงบจิตหรือทำจิตให้สงบปราศจากความวุ่นวายทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความวุ่นวายอันเกิดจากกิเลสมีโลภโกรธหลงเป็นต้นความสงบไม่ใช่ความอยู่เฉยหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า inactive แต่ความสงบทำให้คน active มากทีเดียวความฟุ้งซ่านอันตรงกันข้ามกับความสงบต่างหากเล้าที่ทำให้คนเกียดคร้านจับจดทำอะไรไม่เป็นล่ำเป็นสรร เมื่อมีความสงบใจเกิดขึ้นในบุคคลใดเขาย่อมทําและพูดด้วยความสงบทําให้ชีวิตของเขาสดชื่นอยู่เสมอเหมือนต้นไม้หรือพืชพรุ์ที่ได้น้ำได้อาหารดีย่อมสดชื่นตรงกันข้ามกับต้นไม้หรือพืชพธุ์ที่ขาดน้ำขาดอาหารย่อมเหี่ยวแห้งอับเฉาภาวะชีวิตที่สดชื่นของบุคคล ทำให้สามารถเข้าใจปัญหาต่างๆได้อย่างทะลุโปร่ปรงปัญหาชีวิตและความลึกลับต่างๆของธรรมชาติเราสามารถเข้าใจได้โดยผ่านทางความสงบนี่เองแต่ความสงบนั้นมีอยู่สองอย่างคือความสงบแท้และความสงบเทียมความสงบแท้ให้ความสุขแท้ความสงบเทียมให้ความสุขอย่างเทียม ความสงบแท้คือความสงบอันเกิดจากการได้ทำคุณงามความดีการสร้างบุญกุศลความสงบอันเกิดจากใจที่เป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวหรือความสงบอันเกิดจากการเอาชนะกิเลสได้ดับกิเลสได้แม้เพียงชั่วครู่ชั่วคราวจนถึงดับกิเลสได้ถาวรเป็นสันติสุขถาวร eternal peace หรือ lasting peace ส่วนความสงบเทียมนั้นคือความสงบเพราะการสนองความต้องการที่พุ่งขึ้นฟูขึ้นได้เป็นคราวๆไปสนองได้คราวหนึ่งก็สงบไปคราวหนึ่งแล้วพุ่งขึ้นอีกฟูขึ้นอีกการฟูขึ้นพุ่งขึ้นในครั้งหลังๆจะรุนแรงหนักหน่วงยิ่งกว่าครั้งก่อนๆเสียอีก จะต้องคอยสนองความอยากความปรารถนากันอยู่ร่ำไปเหมือนเติมเชื้อไฟซึ่งในระยะแรกๆดูท่าจะสงบลงเพราะเชื้อยังสดอยู่แต่พอเชื้อแห้งเกรียมลุกไหม้ดีแล้วไฟก็จะโหมแรงยิ่งขึ้นทุกคราวไปความสงบเทียมทำให้เกิดความสุขอย่างเทียมเหมือนความสุขของคนไข้ที่ได้กินของแสลง ส่วนความสงบแท้ก่อให้เกิดความสุขอย่างแท้เหมือนความสุขของคนไข้ที่ได้กินยาอันเหมาะสมแ ก, โก่โรคยานั้นเข้าไปตัดโรคทำให้โรคหายขาดไปทุกขเวทนาอันเกิดจากโรคหายขาดไปอันที่จริงความริ้นรนของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็เพื่อระ ง, งับหรือสงบความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง จะทุรนทุรายอยู่ตลอดเวลาที่ยังสนองความต้องการไม่ได้เมื่อสนองความต้องการได้ครั้งหนึ่งความทุรนทุรายก็สงบลงเรียกว่าความสุขความสงบขั้นสูงสุดที่เรียกกันว่านิพพานนั้นจึงเป็นความสุขอันสูงสุดเป็นความสุขที่แท้จริงไม่มีความสุขใดเหนือความสงบคือพระนิพพาน นิพพานจึงเป็นความสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรามังสุขังนิพพานก็คือความดับกิเลสได้อย่างเด็ดขาดเป็นเรื่องๆไปนี่หมายถึงนิพพานของพระอริยะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปกิเลสอันใดที่ท่านละได้แล้วกิเลสอันนั้นไม่เกิดขึ้นอีกหรือไม่กำเริบอีกบางทีท่านก็ใช้คําว่าวิมุตตแทนนิพพาน อย่างในพระสูตรบางแห่งท่านกล่าวว่าความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบอกุปปาเมวิมุตติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราพบใหม่ไม่มีแก่เราเมื่อใช้คำว่าวิมุติแทนนิพพานวิมุติคือความหลุดพ้นจากกิเลสชั่วคราวของปุถุชนก็มีเรียกว่าตะทางคาวิมุติหลุดพ้นด้วยองค์ธรรมนั้นเช่น หลุดพ้นจากพยาบาทด้วยธรรมคือเมตตาเมื่อใดมีเมตตาประจำใจเมื่อนั้นพยาบาทไม่มีการหลุดพ้นจากกิเลสของผู้ได้ฌานก็มีเรียกว่าวิขขมพนะวิมุตต์ข่มกิเลสไว้ด้วยอำนาจฌานเหมือนคนเป็นโรคกินยาคุมโรคไว้ได้ไม่ให้กำเริบแต่พอหมดฤทธิ์ยาโรคก็กำเริบต่อไปต้องมียาอีกชนิดหนึ่ง ที่สามารถเข้าไปตัดโรคได้จึงหายขาดไม่ต้องคุมอีกต่อไปนั่นคือสมุดเฉทาวิมุตต์หลุดพ้นอย่างเด็ดขาดได้แก่ความหลุดพ้นของพระอริยะเจ้าอย่างไรก็ตามพอจะกล่าวได้ว่านิพพานหรือความสงบนั้นเป็นความต้องการโดยธรรมชาติของมนุษย์กล่าวคือโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เราต้องการความสงบ ไม่ต้องการความวุ่นวายแต่ที่ต้องวุ่นวายไม่สงบก็เพราะมีบางสิ่งบางอย่างมากระตุ้นเรา้าจิตใจจึงดิ้นรนไปตามแรงกระตุ้นเร้านั้นเปรียบเหมือนน้ําซึ่งเมื่อว่าโดยธรรมชาติแล้วมันสงบเยือกเย็นแต่ที่มันร้อนบ้างเป็นฟองเป็นคลื่นบ้างก็เพราะเหตุอื่นๆไม่ใช่โดยธรรมชาติของมันความสุขที่เกิดจากความวุ่นวาย กับความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นคุณภาพต่างกันมากที่เกิดจากความวุ่นวายควรจะเรียกว่าความเพลิดเพลินตื่นเต้นจะถูกกว่าส่วนที่เกิดจากความสงบนั่นแหละควรจะเรียกว่าความสุขเต็มความหมายเมื่อพูดถึงความสุขเราไม่ควรละเลยเรื่องคุณภาพของความสุขเพราะเป็นสิ่งสำคัญเรื่องเสื้อผ้าอาหารเรานึกถึงคุณภาพ แต่เรื่องความสุขทำไมคนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยนึกถึงคุณภาพนึกแต่ว่าขอให้มีความสุขความพอใจความเพลิดเพลินก็แล้วกันจะได้มาโดยวิธีใดก็ช่างคุณภาพของความสุขเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าบุคคลใดสแสวงหาความสุขที่ด้อยคุณภาพอยู่เสมอแล้วจิตใจของเขาก็จะสูญเสียคุณภาพ เมื่อจิตสูญเสียคุณภาพแล้วพฤติกรรมทางกายวาจาของผู้นั้นก็ปลอยสูญเสียคุณภาพไปด้วยพูดอย่างสามัญว่าพฤติกรรมทางกายวาจาของเขาเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ของผู้อื่นทำให้เป็นที่ดูหมิ่นของคนทั้งหลายส่วนผู้ที่สแสวงหาความสุขที่มีคุณภาพดีอยู่เสมอเช่นความสุขจากการหาวิชาความรู้ ความสุขจากการบำเพ็ญคุณงามความดีความสุขที่ได้จากความสงบใจซึ่งเป็นความสุขที่ประนีตแล้วจิตของเขาก็จะมีคุณภาพดีขึ้นทุกวันทุกวันเมื่อคุณภาพจิตดีคุณภาพของจิตก็สูงพฤติกรรมทางกายวาจาของท่านผู้นั้นก็พลอยดีงามสูงส่งไปด้วยเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั้งหลาย ตนเองก็ดำรงชีวิตอยู่ยังมีความสงบสุขชื่นบานความสงบทำให้เกิดคุณธรรมต่างๆมากมายและเป็นที่อยู่อันประเสริฐของดวงจิตใครทำได้ก็จะเห็นอานิสงค์ด้วยตนเองการทำจิตให้สงบนั้นมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นการเป็นคนไม่จู้จี้ขี้เอาเรื่อง ไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่มักวิตกกังวลเรื่องที่ล่วงมาแล้วและเรื่องอันยังไม่เกิดขึ้นการทำงานด้วยความขยันขันแข็งใช้เวลาให้หมดไปกับการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งการเป็นผู้มีเหตุผลการเล็งเห็นทั้งคุณและโทษของสิ่งที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องการพยายามมองบุคคล และเหตุการณ์ต่างๆในแง่ดีตามสมควรการทำจิตให้สงบด้วยวิธีการบํมเพนสมาธิหรือสมาธภาวนาและการอบรมจิตให้มีปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาจะขยายความแต่ละวิธีด้วยข้อความสั้นๆเพียงเล็กน้อย 1. การไม่จู้จี้ขี้เอาเรื่อง คนที่จู้จี้ขี้เอาเรื่องนอกจากทำลายความสงบของตนเองแล้วยังจะทำลายกำลังใจทำลายขวัญและทำลายความสุขสาราญของผู้ใกล้ชิดเช่นคนในครอบครัวเป็นต้นด้วยไม่มีใครชอบคนจูจ้จี้บางคนบ่นว่าบ้านวุ่นวายเหลือทนแล้วความจริงสาเหตุแห่งความวุ่นวายคือตนเองนั่นแหละ ทำให้คนอื่นๆพลอยวุ่นวายไปด้วยหมดเป็นความจำเป็นเหลือเกินที่บางคราวหรือเสมอเสมอที่เราผู้ไม่บอดก็ควรทำเป็นบอดไม่หนวกก็ควรทำเป็นหนวกเสบ้างจะน่ารักขึ้นและทำสังคมที่เราอาศัยให้สงบร่มเย็นน่าอยู่ขึ้นอนหนึ่งคนที่จู้จี้ขี้เอาเรื่องนั้น โดยทั่วไปมักสําคัญตนว่าเป็นผู้ฉลาดเหนือคนอื่นเห็นคนอื่นโง่กว่าตัวไปหมดความคิดอย่างนี้ไม่ฉลาดเลยคนเราทุกคนอาจโง่ในบางอย่างแต่ฉลาดรอบรู้ในบางอย่างเขาย่อมทําได้ดีในสิ่งที่เขาถนัด 2. ไม่ทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เพื่อความสงบสุขของเราเองและผู้ใกล้ชิด เราควรทำในใจไว้เสมอๆว่าจะไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่นี่หมายถึงรวมทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีอะไรที่เกิดขึ้นกับตนหรือผู้อื่นเพียงเล็กน้อยก็ควรเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วดับเสียไม่ปล่อยให้เป็นไฟลามทุ่งใครทำอะไรผิดเพียงเล็กน้อยก็ควรเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยตามเป็นจริง ไม่ก่อให้เกิดเป็นเรื่องใหญ่เหมือนใสเชื้อให้ไฟส่วนเรื่องดีอะไรเพียงเล็กน้อยก็ไม่ทําให้เป็นเรื่องเออกรกะเริกเกินดีไปคนอื่นเขาจะหมันไส้เหนื่อยนายชิงชังหรือแอบเยอะรับหลังไม่ทําอะไรแบบขี่ช้างจับตะกะแตนเพราะตะกะแตนมันตัวเล็กอยู่ตามทุกนาไม่ต้องขี่ช้างก็จับได้ ทำไมจะต้องลงทุนขนาดขี่ช้างจับเล่าเนี่ก็เป็นอุบายวิธีในการทําจิตให้สงบสไม่คิดกังวลถึงเรื่องที่ล่วงมาแล้วหรือเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเรื่องอะไรที่ล่วงมาแล้วมันก็ล่วงแล้วปล่อยให้มันล่วงไปจะเป็นเรื่องความผิดความถูกความดีหรือความชั่วมันก็ล่วงไปแล้ว จะให้หวนคืนกลับมาเป็นปัจจุบันได้อย่างไรบางคนบ่นพร่ำรำพันถึงความเจริญรุ่งเรืองและความสุขสบายในอดีตจนไม่เป็นอันทาอะไรในปัจจุบันทอดอะไรตายอยากปล่อยให้ปัจจุบันซึ่งควรจะมีประโยชน์ไปฝังอยู่กับอดีตอันไร้ค่าไร้ความหมายพลอยให้ปัจจุบันเสียไปด้วยคนที่เคยรุ่งเรืองแล้วมาตกต่า มักจะพร่ำรำพันถึงอดีตของตนแล้วเศร้าโศกเสียใจที่ถูกควรฝังอดีตเสียแล้วมุ่งทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตก็จะดีเองส่วนบางคนมักไขว่คว้าจินตนาการถึงแต่อนาคตวาดภาพต่างๆขึ้นในจิตสำนึกของตนในทางดีบ้างทางเลวบ้างสุดแล้วแต่จะคิดไป ถ้าคิดไปทางดีก็มักจะฝันค้างกลางวันกระยิมยิ้มย่อ ง, ท, งทั้งทั้งที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอถึงเวลาเข้าจริงสิ่งที่ฝันไว้ไม่ได้เป็นอย่างฝันก็โทมนัตขัดใจโทษนั่นโทษนี่ว่าเป็นอุปสรรคของตนที่แท้แล้วตนนั่นแหละเป็นอุปสรรคสำคัญของตนเองบางคนคิดไปในทางร้าย ทำให้ซึมเศร้าเศร้าหมองหวาดหวั่นคลั่นคลึงไปเสียหมดไม่กล้าทำอะไรไม่กล้าคิดอะไรไม่กล้าริเริ่มทำอะไรเพราะมองเห็นแต่อุปสรรคและความล้มเหลวขวางอยู่ข้างหน้าทำให้คนที่เข้ากล้าทำกล้าเสี่ยงได้โอกาสอันงามซึ่งคนไม่กล้าเปิดไว้ให้ความช่างคิดเป็นเรื่องดีแต่ความวิตกกังวลเป็นเรื่องร้าย มักจะประหารคนที่ชอบพิตกกังวลให้สูญเสียกำลังในการต่อสู้กับชีวิตและให้ตายจากความสงบสุขของชีวิตอันตนพึงได้พึงถึงเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจให้แนว่วแน่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ต่อสู้มันไปเท่าที่กำลังความสามารถจะต่อสู้ได้เราเพียงแต่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่านั้น ก็น่าจะเพียงพอแล้วในสมัยพุทธกาลมีผู้ไปถามพระพุทธเจ้าว่าภิกษุอยู่ป่าประพฤติพรหมจรรย์สงบอยู่บริโภคอาหารเพียงวันละมื้อเดียวฉะไหนผิวพรรณจึงผ่องใสยอยู่ได้พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าเพราะไม่เศร้าโศกถึงเรื่องในอดีตไม่วิตกกังวลถึงเรื่องอนาคต มีชีวิตอยู่ด้วยขณะจิตที่เป็นปัจจุบันหรืออยู่ด้วยเรื่องปัจจุบันเพราะเหตุนี้ผิวพันธุ์จึงผ่องใสจากสังยุตติกายสขาทวักพระไตรปิฎกเล่มที่15หน้า7ข้อ21การทำใจให้สงบอยู่แต่ในปัจจุบันจึงเป็นวิธีการอันสำคัญในการอำนวยความสุขความร่มเย็นให้แก่ชีวิต ทำให้สดชื่นอยู่เสมอชีวิตควรจะเป็นอย่างนั้น 4. การทํางานใช้เวลาให้หมดไปด้วยการทํางานคนว่างานมักคิดฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นควรใช้เวลาแต่ละวันให้หมดไปด้วยการทํางานคําว่างานหมายถึงการทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงเพื่อให้จิตจับอยู่กับสิ่งนั้น ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นงานที่ได้เงินเสมอไปอาจเป็นงานบ้านงานรดน้ำต้นไม้ออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆเดินเล่นถากไหมพรมเป็นเครื่องใช้การนั่งสมาธิโดยที่สุดไม่มีอะไรจะทำก็หยิบไม้บรรทัดหรือเครื่องวัดวัดโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนพื้นห้องที่เราอยู่อาศัยว่ากว้างเท่าไหร่ และเขียนใส่สมุดบันทึกเอาไว้ถ้าเป็นงานประจำงานสำคัญที่สามารถทำเงินสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนหรือเป็นประโยชน์แก่สังคมด้วยแล้วก็ควรทำด้วยอิทธิบาททั้งสี่คือฉันทะพอใจวิริยะภาคเพียรบากบันจิตตะเอาใจฝากใยทำด้วยจิตใจทั้งหมดไม่ใช่ทำศัก์แต่เพียงว่าพอผลตัว วิมังสาพิจารณาไตรตรองเหตุผลในสิ่งที่ทำคิดปรับปรุงแก้ไขให้ก้าวหน้าอยู่เสมอการทำงานถือว่าเป็นเกียรติแก่ชีวิตเป็นการสร้างนิสัยที่ดีทำลายสิ่งชั่วร้ายในตนเช่นความเกียจคร้านความท้อแท้อ่อนแอความหวังผลโดยไม่ทำเหตุการสร้างวิมานในอากาศ การทำงานเสริมสร้างนิสัยความรับผิดชอบให้เกิดในตนนอกจากนี้ยังเป็นยานอนหลับขนาดวิเศษอีกด้วยคนที่มีนิสัยนอนไม่ค่อยหลับนั้นลองทำงานให้เหนื่อยและเลิกวิตกกังวลตามทฤษฎีข้อที่สามเสียจะนอนหลับสบายทุกคืนลองดูเด็กๆที่เล่นทั้งวันพอข้ามก็หลับกรรมกรที่ทำงานหนักเช่นแบกหาม งานอู่ซ่อมรถยนต์พอมีเวลาว่างสักห1 0นาทีก็อยากจะเอนตัวลงนอนและหลับได้ทันทีการทำงานจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของความสงบสุขขอให้นึกว่าเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของท่านเท่านี้ก็คุ้มแล้วเกินคุ้มแล้วสำหรับงานของท่าน 5. ความเป็นผู้มีเหตุผล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 อย่างน้อยที่สุดส่วนใหญ่เราเป็นผู้ทาแม้คนอื่นสิ่งอื่นจะทำให้บ้างก็ไม่มากเท่าเราเองเมื่อได้รับผลดีคนทั้งหลายก็มักรีบรับทีเดียวว่าตนเป็นผู้ที่ทำเหตุดีไว้เองแต่พอได้รับผลร้ายทำไมไม่ค่อยยอมรับกันมักปัดไปให้สิ่งอื่นๆคนอื่นๆที่ไม่ใช่ตนเองเป็นผู้ทา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 ความประพฤติเรียบร้อยทำข้อสอบในระหว่างเทิมได้ดีเสมอสุขภาพอนาัยก็ดีนี้คือเหตุอาศัยเหตุนี้เราคาดหมายผลไว้ว่าเด็กคนนี้จะต้องสอบได้คะแนนดีในปลายเทิมแต่พอสอบเข้าจริงปรากฏว่าเด็กคนนี้สอบได้คะแนนน้อยเกินไปจนเกือบตกที่เป็นดังนี้สืบได้ว่า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 ควรสนใจเรื่องราวต่า ง, างๆที่เกิดขึ้นคือศึกษาเหตุผลจากเหตุการณ์ให้มากทั้งที่เกิดขึ้นแก่ตนเองและเกิดขึ้นแก่ผู้อื่น 6. กการเล็งเห็นคุณและโทษของสิ่งที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องโดยธรรมดาสิ่งต่างๆในโลกที่เป็นสังคตะธรรมคือมีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย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 อาจจะมาเป็นเครื่องทำลายความสงบสุขของใจเพราะอารมณ์เหล่านั้นจะมาทำให้ใจสั่นสะเทือนอยู่เสมอเหมือนน้ำที่ถูกลบกวนด้วยลมหรือวัตถุที่บุคคลโยนลงไปขอยยกตัวอย่างเพื่อความชัดเจนในเรื่องคุณและโทษของสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเช่นคนที่เรารัก จริงอยู่เขาให้ความสุขความชุ่มชื่นแก่เราเมื่ออยู่ใกล้ได้สนทนาด้วยมัทุรสวาจาแต่เป็นทุกข์เมื่อต้องจากเมื่อไม่ได้พบหรือวิตกหมกมุ่นถึงเขาหรือหวาดระแวงว่าเขาจะไม่รักหรือมีคนอื่นมาแบ่งความรักไปเมื่อเขาจำเป็นต้องเดินทางไปที่อื่นจิตใจของเราก็คอยห่วงใยเหมือนใจจะติดตามไปด้วย นี่คือส่วนที่เป็นโทษถ้าเราทำใจไม่เป็นความรักและสิ่งที่รักจะให้โทษและให้ทุกมากกว่าสุขหลายเท่าในเรื่องยศศัก์สมบัติและบริวารก็เช่นเดียวกันย่อมมีทั้งคุณและโทษเจือปนอยู่เมื่อเราได้รับส่วนที่เป็นคุณเราก็ชื่นชมยินดีแต่พอได้รับส่วนที่เป็นโทษก็เศร้าโศกเสียใจ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 บัตรนี้ส่วนที่เป็นโทษได้ปรากฏขึ้นแล้วพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงมีสติปัญญารู้เท่าทันเพียงเท่านี้ก็จะสามารถรักษาความสงบใจไว้ได้ 7. พยายามมองบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆในแง่ดีตามสมควรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราน่าจะมีส่วนดีอยู่บ้าง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 บางต้นก็มีประโยชน์ทุกส่วนทั้งรากลาต้นเปลือกกระพี้แกน่นดอกใบและผลส่วนไหนจะเป็นประโยชน์ในด้านใดก็สุดแล้วแต่ความรู้ความเข้าใจของเราบุคคลบางคนแม้จะเป็นคนชั่วแต่ก็เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นความจริงว่าทำอย่างนี้เป็นความชั่วถ้าเราไม่อยากชั่วก็อย่าทาอย่างนี้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 อาจจะดำรงอยู่ได้ตลอดวันตลอดคืนก็ได้นอกจากอานาปนสติแล้วยังมีวิธีอื่นๆของสมาธิอีกมากเช่นการเพ่งวัตถุต่างๆจนติดตาเช่นเพ่งดินน้ำไฟลมที่เรียกว่ากรสินก็เป็นวิธีการที่ทำให้จิตสงบได้9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 ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงไม่หลงผิดด้วยอุปาทานเมื่อเห็นไตรลักษณ์แจ่มแจ้งวิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นก็เป็นเครื่องมือตัดกิเลสได้แม้จะทำวิปัสสนาจุดมุ่งหมายพุ่งไปสู่ปัญญาก็จริงแต่ย่อมผ่านภาวะความสงบแห่งจิตไปด้วย สงบพอที่จะใช้ปัญญาได้ถนัดถ้าจิตยังฟุ้งซ่านอยู่เหมือนน้ำกระเพื่อมอยู่แม้เราจะมีจักสุดีก็ไม่อาจมองเห็นอะไรที่อยู่ใต้น้ำได้ต่อเมื่อน้ำนิ่งสงบผู้มีจักสุดีจึงจะมองเห็นวัตถุที่อยู่ใต้น้าอย่างถนัดชัดเจนเพราะฉะนั้นแม้จะเดินตามสายวิปัสสนา ก็ต้องมีสมาธิอ่อนๆด้วยจึงจะสามารถใช้วิปัสสนาปัญญาให้สำเร็จประโยชน์เต็มที่ได้สมาธิที่เกิดขึ้นจากการเจริญวิปัสสนานี้ท่านเรียกว่าวิปัสสนาสมาธิรวมความว่าอุปสมะคือความสงบนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสงบจากกิเลสอันเป็นเหตุแห่งความยุ่งยากทั้งหลายถ้าคนในโลกของเราช่วยกันสงบกิเลสภายในตนโลกของเราจะสงบเย็นยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้หลายร้อยหลายพันเท่ากิเลสที่มีอยู่ภายในใจของแต่ละคนนั่นเองได้แผลงฤทธิ์ออกมาทำลายซึ่งกันและกันให้เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ การช่วยการรักษาความสงบภายในตนเป็นการช่วยโลกช่วยสังคมให้สงบอย่างมั่นคงยั่งยืนและแน่นอนความสงบความผ่องแผ่แห่งจิตความบริสุทธิ์แห่งจิตทำให้ชีวิตสดชื่นแจ่มใสมีความสุขอยู่ด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นหลักคำสอนสำคัญอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา จัดเป็นพุทธจริยศาสตร์อย่างสูงพุทธบริษัททั้งคฤรือหัสและบรรพชิตควรขัดกล่าวจิตใจอยู่เสมอให้บริสุทธิ์จากกิเลสก็จะสามารถดับทุกข์ได้วิสุท ธ, ธิสัพเพเกเรเสหิโหติดุเขหินิบุติแปลว่าความบริสุทธิ์จากกิเลสทั้งปวงเป็นการดับทุกข์ทั้งปวง นิพพานนั้นเป็นสันติสุขผู้มุ่งสันติสุขต้องละเหยื่อของโลกที่เรียกในพระบาลีพุทธพจน์ว่าโลกามิตรวอ d ลีเกนส์หมายถึงละความพอใจหรือไม่พอใจในกรมคุณห้าและในโลกธรรม8แเพราะในสายตาของท่านผู้เช่นนั้นความพอใจหรือไม่พอใจย่อมให้ความทุกข์ทรมานเท่ากัน เป็นแต่เพียงคนละด้านเท่านั้นเปรียบเหมือนมือข้างหนึ่งจับฐานเพลิงอีกข้างหนึ่งจับก้อนน้ำแข็งมันย่อมให้ความทรมานแก่มือจนทนไม่ไหวเหมือนกันทั้งๆ ท, งที่ทั้งสองอย่างนั้นเป็นสภาพที่ตรงกันข้ามพระพุทธองค์จึงตรัสว่าชีวิตอายุมีน้อยถูกชารานําไปเมื่อชารานาชีวิตหรืออายุไปนั้น สิ่งไรๆก็ต้านทานไม่ได้บัณฑิตผู้มุ่งความสงบพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นภัยในเพราะจะต้องตายพึงละโลกามิเสียจากพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายสคาทวักเล่มส5หข้อ8ปพระอริยเจ้าระดับพระอรหันต์ท่านจึงวางเฉยในอารมณ์ทั้งหคือในรูปเสียงกลิ่นรส โหดถพะและธรรมารมเป็นองค์หนึ่งในองค์แห่งพระอรหรันติฉลังคะสมันตาคตะตาเมื่อวางเฉยในอารมณ์ทั้งหกได้ก็ดับร้อนได้เหลือแต่ความเย็นแต่พอดีไม่ใช่เย็นจนหนาวหรือร้อนเป็นไฟข้อความในอาทิตตปริยายสูตรแสดงความจริงเรื่องนี้ได้ชัดเจน ในอาทิตตปาปริยายสูตรพระพุทธองค์ทรงแสดงความร้อนและสิ่งที่ร้อนแก่ชดินสามพี่น้องพร้อมด้วยบริวารอีกหนึ่งพันคนผูกเคยบูชาไฟว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนที่ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนนั้นคืออะไรคือตาหูจมกกจูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผัพพะและธรรมารม รวมวิญญาณหสัมผัสหเวทนาหมีจักขวิญญาณจักขุสัมผัสและจักขวสัมผัสชาเวทนาเป็นต้นล้วนเป็นของร้อนทั้งสิ้นร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างคือไฟกิเลสเพราะความเกิดแก่เจ็บตายทุกโธมนั์อุปายาสะบ้างคือไฟทุก สาวกของพระอริยะรู้เห็นอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในจากสุเป็นต้นเมื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดก็หลุดพ้นจากพระไตรปิฎกเล่มสี่ข้อห้าสิบห้าฟังจบจิตของภิกษุผู้เคยเป็นชดินทั้งหมดก็หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงผู้ที่จะพอใจในนิพพานและน้อมจิตไปเพื่อนิพพานนั้น ควรต้องพิจารณาให้เห็นโทษของสังสารวัตเสียก่อนถ้าเราสามารถระลึกชาติได้ย้อนหลังไปเพียงสิบชาติยี่สิบชาติเราจะเห็นสิ่งที่น่ากลัวน่าสยดสยองซึ่งผ่านเข้ามาในชีวิตของเรามากมายเพียงไรจนเราไม่อยากจะเกิดมาเพื่อประสบทุกโธมนัดเช่นนั้นอีกคือเห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิด ตามในยะแห่งข้อความในอนามตักค้าสั่งยุทธคำพีสั่งยุตานิกายเล่ม16หพระศาสด า, าตรัสว่าสังสารวัตรนี้ยาวนานเงื่อนต้นไม่ปรากฏสำหรับเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดผูกพันแล่นไปท่องเที่ยวไปน้ำตาที่ไหลออกเพราะประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจร้องไห้คร่ำครวญอยู่มีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรแม้น้ำนมแห่งมารดาที่เหล่าสัตว์ผู้ท่องเที่ยวอยู่ดื่มกินมีมากกว่าน้าในมหาสมุทรกองกระดูกของเหล่าสัตว์ผู้ตายแล้วตายเล่าถ้านำมารวมกันไม่ให้กระจัดกระจายจะเป็นกองใหญ่เท่าภูเขาวเวปุลละ นี่เฉพาะที่ตายแล้วตายเล่าอยู่เพียงกับเดียวเท่านั้นเมื่อเห็นภัยในสังสารวัฏอยู่เสมออย่างนี้จิตของบุคคลย่อมน้อมไปในนิพพานคือความไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ย่อมไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายนิพพานจึงเป็นอมาตะธรรมที่น่าปรารถนายอย่างยิ่งในชีวิตคนเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆทรงรู้สึกว่า ได้บรรลุถึงธรรมอันสูงสุดแล้วคือความไม่ต้องเกิดมาทนทุกข์ในสังสารวัตรนี้อีกต่อไปจึงทรงอุทานด้วยความเบิกบานพระไทยว่าเราสแสวงหาในช่างผู้ทาเรือนคือตันหาซึ่งสร้างอัตภาพนี้เมื่อไม่พบต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรนับชาติไม่ท่วนเราได้รู้ว่าความเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ ดูก่อนในช่างผู้สร้างเรือนคือตันหาบัดนี้เราได้เห็นท่านแล้วท่านจะทำเรือนอีกไม่ได้ซี่โครงทั้งหมดของท่านกล่าวคือกิเลสอื่นๆทั้งหมดเราได้หักเสียแล้วยอดเรือนกล่าวคืออวิชชาเราได้รื้อออกแล้วจิตของเราเป็นวิสังขารคืออะไรอะไรจะปรุงแต่งไม่ได้อีกแล้วถึงความสิ้นตันหาแล้ว จากขุทธกากนิกายธรรมบทพระไตรปิฎกเล่ม25ห้า